Book 2สี่สิหในดิกเทกิทดิกที่นั่งมีว่างไหมคะมิิมซ Z s h u b a ดิฉันนั่งกับคุณได้ไหมคะสคบกอม่ขุชตสคกบกวดอัษหมะคุชตะเชิญค่ะสิกวัปคุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรคะมุสิกัมสดอุอัล่ะ มุสิกมสดวชดุดวาวเสียะเสียงดังไปนิดค่ะเเสชเเสชแต่วงดนตรีเล่นดีมากค่ะเเดกุกรเเดกุกรคุณมาที่นี่บ่อยไหมคะ ไม่บะวม่บอะวไม่บ่อยนี่เป็นครั้งแรกค่ะ h o ดิฉันไม่เคยมาที่นี่เลยค่ะ مش คุณอยากเต้นรำไหมคะวกชวกชอีกเดียวอาจจะไปคะ่ะตะกสมอารนจิ ม, มะฮุตะกมอารนจิมุดิฉันเต้นไม่เก่งคะ่ะซดอดดูดสกัสสุรบซดอดดูดสกัสุรบ ง่ายมากเลยค่ะอร์พนะิสินจรดิดอร์พิสินจรดิดดิฉันจะแสดงให้คุณดูซควอซัชยาุสตซควอซ์กชยุสตไม่เป็นไรวันอื่นดีกว่าค่ะฮาวยิตอนเนื้กุลมฮาวยึดอนเ t คุณรอใครอยู่หรือเปล่าคะ The Gurom u ใช่ค่ะรอแฟนอยู่อาร h ิน b j o เขามาแล้วคะ่ะมารก a s กสุ